เต็มไปหมดส่วนยาแม่ขนาดเดียวหมอแม่คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะฝากความหมาย ฝากความหวังฝากชีวิ ต, ตจิตใจฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใครก็เหมือนกับคนตกหรือจมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรก็มาพอจะเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงก็มีแต่จมท่าเดียวเท่านั้น คอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกําลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าโรคประเภทใดๆเต็มไปหมดในบุคคลถามหาหมอก็ไม่รู้ถามหายามารักษาก็ไม่รู้กระทั่งยา ยาว่าแต่ยาไม่มีไม่รู้จนกระทั่งยายาว่าแต่หมอไม่มีไม่รู้จนกระทั่งว่าหมอเราลองวาดภาพดูสิว่าโลกมนุษย์เรามีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการ จากความทุกข์ความทรมานจนเต็มที่เต็มฐานถึงกับขั้นผนไม่ได้แล้วรอเพียงลมหายใจสิ้นสุดลงเท่านั้นการอยู่ก็อยู่ด้วยการทรมานด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยชนิดต่างๆเหยียบย่ำทำลาย หาอยู่หายาแม่นิดนึงที่จะมาเยียวยารักษาหาหมอแม่คนยังที่จะมาถามและมาตรวจตัวการเป็นอย่างไรบ้างไม่มีเลยมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่องกองเพลิงประดุจ ก, กันหมดกองเพลิงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นฟืนเป็นไฟไประจำตัวอยู่ตลอดเวลา โรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทำไมจะไม่เป็นปืนเป็นไฟเท้ารนดึดตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโลกนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเี่นนั้นโลคที่พออยู่ได้หรืโลกมนุษย์เราที่พออยู่ได้เวลาเก็บไข้ได้ป่วยก็ออยังต้องมียามีหมอรักษาแม้จะไม่ใช่ยาที่ ท่นเหตุท่านการหมอฟท่านสมัยก็ตามแต่ก็ยังมียาเครื่องบรรเทาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เกาะท้องใจให้รับความอบอุ่นว่าได้รับทานยาคนไข้นั้นก็ยังมีหวังอยู่บ้างเพราะยามีทั้งบ้านนอกมีทั้งในเมืองตามบ้านนอกเขาก็มีเป็นอย่างยาแผนโบราณ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 เพราะโรคชนิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ปรมาณโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเภทนี้ที น, นี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้าง น, นโรคเต็มหัวใจของสัตว์แต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจ เลยเช่นนี้เป็นยังไงนี่ท่านเรียกว่าโลกศูนยากับหาศาสนาไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนนั้นต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของสแสลงนั้น เป็นเรื่องที่ียกไม่ออกกับโรคประเภทที่เหลือกันหาอาสวะเหล่านี้จะผักไสเข้าสู่แต่ของแผลงอย่างเดียวมันไม่มีทางที่ว่าจะผักไสเข้าสู่หยุกสุยาสู่หมอคืออัดทมเพราะที่เหลือกับทำเป็นฆ่าศึกกันมาแต่การไห น, ไหนจะที่เหลือจะมีความยินดีให้ สัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอำนาจเพื่อหยุดเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตธรรมอย่างไรได้ด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบตัติแม้เราเกิดในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาถึงกลับได้มาเป็นนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามะกะัการปฏิบตัติอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นผลงานความดีจึง ต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่จนได้เพราะความฝืนที่จะทำให้สิ่งที่จะทำให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจต้องแบวบกต้องว่าต้องบุกเบิกสิ่งที่ผิดขวางนั่นออกเพื่อการดำเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกำลังความสามารถของตน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 ใจินใจอยู่นั้นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิทที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กลับเหล็กให้สึกให้กร่อนไปจงกระทั่งเป็นเศษเหล็กละกลา็นดินไปตามธรรมชาติของหมาดได้โดยไม่ต้องสงสยัยโรคชดินนี้เกิดขึ้นภายในจิตมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำการจีดการขวางลวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็น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 เพราะจิต ท, ที่บริสุทธิ์ด้วนแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนะทั้งๆ ท, ที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่ามกลางแห่งมรสุมของฝากของน้าดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ไม่มีคำว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากเพียงไรภ า, ายในจิตใจยิ่งทำให้จิตใจนั้นโยกตัวไม่ขึ้น จะข้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดจะเดินจงกรมจะนั่งสมทธิจะภาวนาจะลึกอัดลึกทำเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆเหมือนกับยกสูงทั้งท่อนหลังก็จะหักเจลก็จะขาดอายวัะทุกส่วนจะดุบลอยไปหมดเพราะความหนักก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนัก ไม่ใช่ธรรมชาติอะไรยาวยาเข้าใจว่าทมพาให้หนะักทมแท้ไม่มีอะไรหนะักเมื่อจิตก้าวผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจะไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภ า, ายใน จ, จิตใจความลำบากความยากความชิดอินหาละอาใจอะไรไม่มีเหลือเลยจึงทราบได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอทุกๆท่ทาน พึงจำไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลำบากลำบนเหล่านี้อยู่ในระหว่างแห่งการแบกไหวของตนที่จะพ้นจากว่าจากน้ำจากพิษจากภัยที่เรียบประมาับภัยมหันตัดทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลำบากเพียงใดก็ยากเพื่อการตะเกียบตะกาให้เล็ดลอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้น เมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดเครื่องขวางถ่วงใจให้รับความลำบากดําบลเลยเป็นธรรมชาติที่เวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือนตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมากถ่วงมากทาความทุกข์ความทรมานแก่แก่จิตใจมาก มีขนาดไหนกดทวงขนาดกดทวงขนาดตามกำลังของตนมีน้อยก็กดทวงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการชำระศสาสารงเพราะการฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนทิพไายแบบเปลืองไปหมดไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภาในจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งมว้ติดแนบอยู่ใน จ, จิตใจแม้นิดหนึ่งจะเหลือตั้งแต่ ความเวิ้งว้างแต่ว่าอุดติสละก็อิสระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติแต่ว่าเวิ้งว้างก็เวิ้งว้างเลยสมมติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกมหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศทมสั่งสอนสัตวโลก ทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระไทยจริงๆเพราะพระองค์ทรงประสบพบเห็นมามากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตัดโทษตัดโทษมหันตัดทุกแต่ละพบระชาติที่ธรรมาชาติอันนี้สร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างประจัดพระไทยเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถส่องมองทะลุไปหมดไปหมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษ ตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทเรื้อรังโรคประเภทฝังใจโรคประเภทเหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์นี้พระองค์ทรงทราบได้ประจักษ์ยึงเนะ้ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความถึงพระ่ายเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนๆคำว่าสวาาตธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายโทษ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 ถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัดการทำผู้กำลังตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากภัยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตันยูวิปปิตันยูซึ่งเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วเต็มหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนเพียงไดนะ้รับพระาว่าดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็ฟ้าทันทีเลยยึดเกาะติดสลัดตนออกจากทุกโดยจร่งชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้วและเห็นคุณค่าแห่งความหยุดพ้นอย่างประจักใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดปัดทิ้งอย่างถึงใจ แล้วพ้นไปได้ถึงบร ม, มสุขมี่พวกกุพติตนอยู่วิปฏิตินอยู่ท่านเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็รับตอบรับกันกันกบพระไทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยคำว่าสวัสดาธรรมยึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำให้ซึ้งถึงใจเข้ามากน้อยเพียงไร ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งซึงทุกบททุกบาทไ ป, ไปเลยจงกระทั่งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์พิมุตติพาน์าทั้งเป็นสดสดร้อนร้อนี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจถึงใจกราบว่าอย่างสนิทไม่มีจิต ขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกเ็เดือมต่อศาสนาธรรมของพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับศาสนาธรรมพิสแสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมกลนกืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่แหละสาวกทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้า เป็นบอร ม, มาขูยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงจนส่วนภายในใจของท่าน <c oughs> เราอยากให้มูเฟเื่อนที่มาศึกษาอบรมในได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกลางวานอยู่ภายในวงล้อมของกิเลธทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลธประเภทต่างๆมันปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวานความจริงอยู่ภายในใจนั้น ให้ไมาให้มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรูยย้ยิบยิบยับยับว่ากิเลสเป็นไผ่นอกจากเสียงของกิเลสกังวาวงท น, งนท่ทนนว ม, มท้น เ, เ, เสียงอัดเสียงทำนั่นไปเสียวันน่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเกลียดน่าโกรดหรือเปลียดหรือโกรธรารักหรือรักหรือชังหรือโลคหรือหลงมีตั้งแต่เสียงของกิเลสเต็มหัวใจของตัดโลกอย่ตลอดเวลาไม่มีสงัดเสียงทำที่จะเป็นคูแ่แข่งแย้งกันบ้างเพียงเล็กน้อย เพราะฉะนั้นสัตว์โลกยิงต้องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะไม่มีกระแสเสียงธรรมเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันกับเสียงของกิเลสนี่เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมเขาแทรกเข้าไปบ้างแล้วแม้จะเป็นเสียงธรรมด้วยความจดจําก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟังอย่างถึงใจฟังธรรมะ ปฏิบัติอย่างถึงใจกิตเดสทําลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจสะทานหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวยิ่งกว่ากิเดสทําความสะทกสะเทือนหรือทําความลําบากทรมานแก่เราจนถึงขั้นมหามหาหันตุกภายในาจิตใจเหมือนเป็นไฟทั้งกองนี่โทษของกิตเดสถึงใจขนาดนั้นทําไมเราเป็นผู้ปฏิบัติทำทําเป็นเครื่องที่จะหรือถอนจิตเดส ทำลาที่เลชให้สะเทือนระทานโล ก, กธาตุก่นไหวได้เช่นเดียวกันกับกิบเลสทําสัตว์โลกทําไมเราจะไม่สามารถนํำทำที่เป็นเครื่องป ร, ราบกิเลสให้ราบคาบสะเทือนระทานทั้งโลกในโลกทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้เล่าเอาให้จริงนะปฏิบัตินี่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องกิเลสเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลเหมือนเร า, เราท่านท่านนี้เราถือเป็นกิเลสนี่เป็นคู่เดือดคู่แค้นอย่างเป็น ถึงเป็นถึงตายไม่มีขณะใ ด, ดเลยที่จะรอกับจิเลสว่าไม่ต่อคอนกันให้พินาศใขนขณะนั้นจิเลสไม่พินาศให้เราพินาศพอเจอกันพรบจะโดดจากกันถางกันทีเลยแม้รับทานอยู่ก็ตามหรือทายอุจราชะจิตปัสสวะกรรมอยู่ก็ตามเมื่อมองเห็นจิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเครียดแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันที นี่เป็นข้อเทียบเทียงทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวมหาภัยให้หมันตทุกแกเราไม่ใช่ให้สาระคุณอนใรเลยแต่เราพอที่จะได้ยกได้ยอด่อได้กราบไหว้ชนะเสวียนเงิ น, ม, นมันเป็นค่าศึกต่อความศุกอย่างยิง่งไม่มีอะไรที่เป็นค่าศึกยิ่งกว่า กิเลสประเภทต่างๆเป็นค่าสิทต่อธรรมเป็นค่าสิทต่อเราเมื่อเจอกันเข้าทําไมจงเป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อเกิดความเพียรแค้นจนถึงใจแล้วไม่มีเว้นค่าได้ชิดหายบใบพวงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราผูกเป็นประโยคนผูกเป็นปุกราธิฐานขึ้นมาระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโกทางคัตวาสุขขังไสยตินั่นค่า ความโกรธไปแล้วอยู่เป็นสุขก็โทสังคัตวาสุขขังเสติอราคังคัตวาสุขขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงสุขคตวาสุขขังเสติเหมือนกันหมดข่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอันเป็นเรื่องของที่เลสไปแล้วเป็นความสุขคำว่าข่าฟังดูท่านแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นปุคลาพิฐานเหมือนกันข่าน เพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่งในหัวใจของสัตวโลกแต่พ่ออย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกรอมมันนั่นสี่มันสำคัญมากจริงได้แนะแล้วแนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมาแม้เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเกี่ยงไรก็แม้พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาสู่เรารับทานซอีกสู่เรากินซะอีก เลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองถูกยิ่งเละต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเข้าไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขาโดดลงไปขโมยเอาไก่ในเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเคินไปว่าเขาไปหาขโมยจากบ้านไหนมามาให้รับทานยังกินเคินอยู่ทีเดียว อันนี้ก็เหมือนการทีเล็มันเอาศรัทธาเอาวิิยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุสาหาธรรมคันติธรรมที่จะปราบมันไปเป็น อ, อาหารต้มแกงมาให้เรากินได้อีกเรายังไม่รู้ว่ากีเ่เหล็กมากฟ้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลิอนอริดอร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตน อย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่ากีเลศมันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตาใส่ปรุงของเราเอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นแหละกิเลศแหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหมถ้าเราอยากจะซากแล้วคําที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆ ท, ท, ท่านนะ ผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกังวานขึ้นพันในจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตสาห์ปฏิบัติตามคําที่ผมแนะผมบอกอยู่เวลานี้พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้ปรากฏทำบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดส ด, สดร้อนร้อนขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้น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 ผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือพบคือชาติเกิดเจ็เจ็บตายและรับความทุกข์ความลําบากนี่เป็นผลของมันอย่างยํายาดเห็นได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระ อ, องค์ก็นําออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะค่าสติปัญญาของพระ อ, องค์สามารถแก้กล้าเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดๆจะมีความเฉียวฉลาดแล้มคมเพียงไรก็ตาม พระสติปัญญาของโผงยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหั่นแหละที่เหลือให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้นับว่าเรามีอำนาจมีวาสนาบุญญาพิสมถามได้เกิดมาท่ในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินบี่แววของอัดของธทรำรและยังมีตำรับตำราเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนเราด้วย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 ขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทํำไมกิเลสมันจ ะ, จะแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้มันแหละไม่มีอะไรเหลือทำเท่านั้นที่เหนือโลกท่านที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแปล ว, ว่าทำเหนือโลกนะไม่ทําเหนือโลกจะกราบทําได้ลงสนิทหลือถ้าทําเหมือนโลกโลกเหมือนทําไม่จําเป็นต้องกราบทํานี่ก็เพราะทำเหนือโลกถ้าพูดถึงปัจเจกแก สิงที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมติอันหนึ่งนนเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไปด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเตี้ยงไกลที่สุดกิ่เลสไม่อาจเชื่อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเนียกว่าธรรมเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอํานาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็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 นั่นแหละที่นี่อยู่ในท่ามกลางของสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติรู้แบบสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติอสุขอย่างสมอยอยู่ในท่ามกลางแห่งสมมติก็ไม่ใช่สุขในสมมติเป็นบรมมาสุขเนี่ยคุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อใายสอนวกเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกมหันตโทษถูกตจองจำจากวิเดททั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจ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 ก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิมรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปกผันพาดพอจะให้ติดอกจิดใจพอจใช้เป็นของอศัศจรรย์ที่ใช้ติดให้เพลินยุนไม่มีวันลืมหูลืมตาธรรมาท่านประกาศสอนไว้จู่ตลอดเวลาทำไมถึงไม่ถึงใจเราโกนุห้าโซกิมานันโดนิดจังปัติเตสติ อันตการเลยนะโอนะถ า, าปณิปังนักเวสถาก็โลกสนนิวาตนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้รุ่มร้อนอยู่ทุกพบทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกบีที่นั่นแล้วทำไมมาเพิดเพลินมาหัวเราะกันอยู่ทำไมไม่นิ่งไม่สะสางหาที่พึ่ง น, นี่เมื่อแปร อ, ออกจากธรรมบทนี้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 ส่วนแข้งแข็งก็ถกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็ก็เป็นธาตุดินน้ที่ซูนธาบอยู่นน ใ, นในสกุลนาการนี้ก็เป็นธาตุน้ํามันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเลเหลวขึ้นมาปั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลสามารถตื่นขี้โคลนเลยวๆนั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ขี้โคลนเล้ยวๆแค่แท้่ร่างกายหเหล่านี้ผสมด้วยธาตุน้ํา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 มันว่าเป็นสัตว์เป็นมุคย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจัพงสิมันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทําไมจึงเชื่อดินก็รู้แล้วว่าดินน้ํารู้แล้วว่าน้ําลมรู้แล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟยางปัญญาลงไปทําลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้ได้ตัติปัญญามีอยู่ช้าลงไปล้างลงไป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 เป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่จิตขิเหล็กขีเหล็กมันบีบบังคับที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเดิมแรกไม่กว้างขวางมากมายอะไรมากเช่นเจสาลูมานาคาสันตาตะโจ น, นั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างนั้นเปิดออกดีออกดูสิผมเป็นยังไงออื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 หอ้ออยู่ตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บนะมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บทำไมจึงไปเสกสรรปัญญยอตื่นลมตื่นแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเหตุมาได้เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจ่อเข้าไปให้ถึงความจริงสิเล็บเขาสักจะว่าเล็บฟันฟังสิกระดูก อยู่ในปากของเรานี่มันก็เต็มไปทั่วสนรพารางกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็หลูฟันฟันกระดูให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินหนังหุ้มห่ออยู่นี้เอาเปิดออกถลอกออกให้เห็นไปยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงได้หลงเอานั่งหนา จึงได้ยึดอนังหน า, นาเป็นทุกความลําบากเพราะความฝื้นความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฝื้นเชื่อไปตามคิดเดี่ยวทศลายก็ยิ่งกอบโพลเอาทุกเผาเจ้ า, จาของตลอดเวลานี่ท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริงพอถึงหนังเท่านั้นก็ตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแย่ออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องกลางตาจับโลกเมื่อถลอกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหน ไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะแขยงยิ่งกว่าซากอะไรโดยซากมนุษย์ตัวนี้ถ้าตาเขาไม่กลัวผีมนุษย์ตานี่กลัวกันทั้งโลกจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นของดิบของดีงดใครจะกลัวก็ยิ้มกันนะสิรักชอบอยากได้แล้สินี่ผ่อหนังออกแล้วเท่านั้นไปยังไงตัวหนังเองไปยังไงคลี่คลายเอาดูสิ หนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเป็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบางๆชาบทาไว้หลอกบุรุษตาฝ่งเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดเปิดดูของปลอม มันว่าสวยว่างามนั่นน่ะของปลอดแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกทับไตไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอันเดียวกันหมดล้วนแน้วตั้งแต่เป็นของปฏิคูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านีเราสำคัญอะไรว่มามันสวยวมันงามมันน่ารักให้ทอบใจปัญติปัญญาอย่างลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจยานี้จากหลักความจริง จะมาให้เห็นทัดปัญญาจะอย่างลงไปอย่างไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานอืมฟังคําว่าอุปาทานความยึดมัน่นยึดมั่นเพราะความหลงตั้งหะเมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทัน ท, ทีที่เพราะนั้นเป็นผลของความหลงตังห้หะเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบไปลายปตรงไหนต้อง ความจำเปอมนั้นต้องพังทลายลงไปพัทงทลายลงไปอุปาทานความคิดมัน่นถือมัน่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายลงไปตามๆกันนี่พิจณาอย่างนั้นเออดูจีอกองถุกไม่ใช่กองความสุขมันกองถูกขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดนี่แปลว่ากองแล้วกองตั้งแต่พื้นท้าขึ้นมาบนทุศักก็คือกองถูกเต็มไปหมดะถ้ามีหางก็จะ เป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี้มนุษย์เรายังดีไม่มีหางไม่มีเขาจึงไม่เด่นมีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้กระทุกขนาดตัางที่เห็นอยู่แล้วนี่อ่าพิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้ด้วยสติต่อสู้ด้วยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุติเมื่อไรตรงไหนที่มันหนาแน่น ด้วยความรุ่มความหลงความรักความจางังความเกลียดความโกรธความสังวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งวันนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภายในร่างกายแล้วล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายใน จ, ใจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งส ก, กุลกายนี้แม้จะเป็นส ก, กุลกายเจ้าของอันเก่านี่ก็าตามมันเป็น ของจะของเพราะความสําคัญความยึดมั่นถือมั่นต่างหะพอความสําคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้ทางทลาไปเพราะความจริงทำํำลายแล้วเท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สําคัญมั่นหมายว่า น, นี้เป็นเรานี้เป็นกองเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองถอนมสนีส่วนส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบนี้แล้วทําไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกัน เหมือนอย่างไฟได้เชือ้อไม่ว่าจะไม่ว่าจะเชื้อหยากเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นดงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้แต่ลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจกนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานเปรตามกันหมดไม่มีใดเหลือไม่ไฟไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาของเหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดอยาบอันใดหนัก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 สอดแทรกลงไปสอดแทรงไปย่างลงไปสุดท้ายสัญญากระสักแต่ลาความจําสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยกออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนั่นมันก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาสังขารมีอย่างเป็นอาการแต่และอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปธรรมแต่แก่สติปัญญาลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปไหม้เข้าไปเผาเข้าไปอืม หดเข้าไปย่นเข้าไปย้นถึงอวิชชาปฏิยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสําคัญและละเอียดก่อนมากฉลาดแหลมคมมากแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้จ่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิยาเอาอาวิชชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังอืฟาดกันลงไปที่ วิชาปัจจุยาอยู่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาความรู้นี้เวลาอาวิชชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็อเอาดับนั่นจะไม่มีอะไรเหลือเอาถ้าสมมุติว่าอาวิชชาดับไปใจนี้จะสิ้นสุดไปเลยเพราะถูกสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่เพื่อใจดวงนี้ได้เป็นผู้ทําลายใจจน กลายเป็นใจที่คิดผายแหวกวงกับอวิชาก็าให้รู้ซินักปฏิบัติ อ, อแต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนะอวิชชาปัิญาปลอมอยู่ภานาใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัดจิตกัดใจอยู่ในนั้น เ, เหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอาไม้ทั้งหลายนั้นน่ะเข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนกันมันเกาะ อ, อยู่ที่จิตมันดูดเอาจิต เที่ยวกินนั่นหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของของปลอมพังของริงคือใจพังไดอย่างไรนั่นหลักพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเมือถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอ้าวที่นี่มองดูที่เหลือจะสะหลุดสังเวชน้ำตาร่วงทีเดียวโห้ความทุกความภัยทุกข์ทุกอย่าง ที่เป็นมาเฉพาะอจจุบรรชาตินี้เป็นยังไงและไม่ต้องพูดดึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือพบชาติอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่พบกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาเกิดพาแต่พาเจ็บพาตายวิบากคือดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นมันทําให้สูงสูงดำดำหรือลุ่มดอน ไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่ําเสมอไม่เป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดียวไม่มีสองก็คือฆ่าตั ว, รรษวกษัตริย์วัตจักรอันเป็นเชื่อสําคัญนี้ให้ทักชิบหายไหวปวงไปจากใจเสียเท่านั้นเป็นที่ไว้ใจจะว่าร้อยเปอร์เ็นก็ร้อยว่า1000พันเปอร์เซ็นต์กพันมาเต็มดวงใจก็เต็มไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นคานค่าทีเลย ถ้าอย่างนั้นดีทีนี้เป็นยังไงเมื่อข้ากิเลสตัวลําบากลําบนตัวทุกตัวยากตัวทอดแท้เล้วไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเล็กหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลไหมจิตตรงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหมทอแท้อ่อนแอไหมอเลี้ยวไหลไหมมีพังพังเผลอเผอไหมมีขี้เกียจขี้คลานไหม ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะมันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาไผ่เมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันยิ่งเริมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีน่ผานจึงยาไปกังบนยาไปคิดเป็นอารมณ์ว่ า, วาเป็นความยากความลําบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้ รักเป็นผู้กอดรักกิเลสกลัวกิเลสจะหลุดลอยกันเองเป็นผู้แสดากิเลสยิ่งกว่าทำถ้าเห็นความทุกข์ความลำบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทำํำก็คือความรักกิเลสความรักวัตต์ความรักกองทุกข์ตั้งแต่ทุกย่อยจนกระทั่งถึงหานตทุกข์ไม่มีวันตีดกลางไม่มีต้นปายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้ แหวกว่าในาน้ำมหาสมุทรมหาสมมุตมหานิยมนี้นไปตลอดสายตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้มั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลําบากก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหา ย, ยากเออกิเลสตายแล้วมันหายยากกันทีนั่นแหละความท้อแท้อ่อนแอเลืยเรืเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลืยเรื่อจะไม่มีในหวัวใจมัน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 เสรุละอะไรไปแล้วนั่นเด้อานการลบการชิงชัยกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งชิงชัยกันอยู่นี่เมื่อทำเมีย ม, มากมีอำนาจเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาเหยีมได้เลยฮะจะมีแต่ทำรักฟาดํันงแหลกแหลกแหลกแหลกเพลินในอัตในธรรมที่นี้เพลินในธรรมกับเพลินกับในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้ สุขในธรรมกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยือบมาเสียบตายเด็ดต่างกันยังไงมันก็รู้นี่นีาการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนักปฏิบตัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหันตัทุกที่ฝังอยู่ภายจในจิตใจแน่นอัดแน่นเที่ยวไม่มีจิตใจดวงใดเลยที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ทำละไม่ถอดไม่ถอน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 มันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้อนี่ก็ยังดีได้ทราบเหตทราบผลมันไว้ก่อนทั้งๆที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยการแนะนําสั่งสอนอขอให้อาคารันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความหลุดพ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรมร้อยเปอรเซ็นเป็นยุติธรรมเต็มรูป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 ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนมาทั้งปั่นนี้ถ้าไม่จะไม่มีวิมีแหววถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสําคัญมากอย่าลืมมันนี้พูดเสมอเป็นทําชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิทยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าหวังเอามักผลอิพานเอาวังความวิเศษวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงินเข้าไปท่าตรงไหนก็ขี้เหร่หรอกทั้งตรงนั้นแหละ มันแทรกอยู่ตลอดเวลานะคํามภาคเปลี่ยนแม้แต่ขณะดิดมันก็แทกแทรกอยู่ตลอดขณะดิดที่ใช้จตติใช้เป็นปัญญาขนาดของกิเลสมันก็แทรกไปตามแทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากไปพูดแล้วพูดเล่าเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังตกลทบทวนมันก็ทันเองทันกลมายาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็มอบลาบไปมากลาบไปลาบไปลาบไปจนกระทั่งเอามอบลาบไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหรอกออยู่ไหก็อยู่ที่นี่ การปฏิบัติให้ดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วดูกว่าการจะแสดงความดุดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้จิต ด, ดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงนี้ เนื้นักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วอยู่ด้วยกันก็สงบด้วยที่เรศก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยพอยิ่งจะเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปเดิมดับภายในจิตใจที่สแสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่โดยสม่าเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆยังไทั้งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่สบาย การแสดงธรรมเป็นเ่ื่องควรควรพูดไปพูดไปรู้สึกหน่อย